คือตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นคุณสมบัติบางอย่างที่มีอยู่ในสิ่งนั้นๆทั้งนี้คิดว่าสิ่งนั้นๆเป็นครูคนได้เป็นอย่างดีและให้แนวคิดสติปัญญาตลอดถึงเตือนใจได้ทุกอย่างคำพาสิทธ์ในหนังสือนี้จึงเป็นพาสิทธ์เปรียบเทียบทั้งหมดและเพื่อให้คำพาสิทธ์แต่ละบทมีสีสันน่าอ่านขึ้น จึงมีภาพสิ่งต่างๆที่เป็นตัวเปรียบให้ดูเป็นนิทัตหรือตัวอย่างไว้ด้วยซึ่งอาจช่วยให้เกิดจินตนาการได้อีกส่วนหนึ่งส่วนเนื้อหานั้นจะให้คติอะไรอย่างไรก็อยู่ที่ผู้อา่านซึ่งเป็นผู้รับโดยตรงจะพึงเห็นเองพระธรรมกิติวงวัดราชโอรส า, ารามเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร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 กินแล้วมักล่มเพื่อเก่งเหลือหลายคนกินเหล้าพ อ, อยังประทางกายหมดละอายดีสิ้นเหล้ากินคนตานยืนตายคออยักหยักสักเป็นคนเขาหุนหนึ่งแต่ไรซึ่งประโยชน์เห็นเป็นแก่นสารปล่อยชีวิตล่วงเลยไปไม่ได้การก็เหมือนตานยืนต้นตายเสียหายจริงคนสวะ เขาก็มือเราก็มือคือกันหนอใหญ่ยยมัวท้อระท้จิตผิดจังหวะอยู่ว่างเปล่าลอยไปมารายสาระเหมือนสวะที่ลอยน้ำเต็มลำคลองฆ่าซื่อสัตว์ถึงเป็นหมาก็เป็นหมาค่าซื่อสัตว์มีเคยกัดเจ้าของต้องเสียหายผิดกับคนใจคดกบฏนายยอมแต่กายใจสู้มิรู้คุณ แก่มะพร้าวมะพร้าวแก่แก่ดีมีประโยชน์รสเอมโอดหวานมันอย่างขันไข่แก่วิชายิ่งแก่ยิ่งแน่ไปไม่มีใครงกเงื่อนแก่เกินเรียนไม้คู่ยากมีไม้เท้าใช้ยันหยุดการร่างคลำหาทางแกว่งกวัดไล่สัตว์หนีป้องกันตัวติดตนผลทวี ดีกว่ามีลูกรันอกตันอยู่ผ้าเหลืองคลุมตอตัวเป็นพระทำอย่างพระประเสริฐสุดงามผ่องผุดน่าเกื้อนหนุนบุญต่อเนื่องหากเละเทะพายับยุ่งไม่รุ่งเรืองเอาผ้าเหลืองมาคลุมตอก็พอกันน้ํากุหลาบกุหลาบงามหนามคมทิ่มจมเนื้อเจ็บปวดเหลือไม่นานนักก็จากหาย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 ด้วยหวังว่าจากสยบไม่หลบหนีก็ไม่แน่นเท่าปลูกผูกไมตรีมั่นคงดีกว่ารัดเชือกมัดเออยโจรกรรมลอห่ผมผ้าเหลืองไม่ดำรงทรงสีขามุ่งแต่หาลาบผลตั้งตนใหญ่รวงชาวบ้านขายทำมุ่งกาไรผิดตรงไหนกับโจรปล้นเขากินขาวไม่บริสุทธ นกยางขาวสวยกายแค่พายนอกแต่กลิ่งกรอกกินปลาหน้าบัดสีเปรียบคนสวยใจโฉดโหดสิ้นดีเร่มากมีถึงสวยก็ป่วยการมาแต่ตัวเจ้าเด็กน้อยเกิดมากายาเปล่าพอโตเข้าคว้ามหมดลาบยศศักดิ์ทรับย์สะสมยึดไว้ชื่นใจนักอะไรจากตามไปเมื่อตายลง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 ผิดนกเขาในกรงตรงไหนกันทานน้ำใจน้ำในบ่อในคลองในหนองสระถึงแม้จะเย็นซาบเมื่ออาบดื่มแม้น้ำตกเย็นใสจำไม่ลืมก็ไม่เปลืมเย็นช่ำเท่าน้ำใจเจดีชีวิตเจดีใหญ่แวววามงามผ่องผุดยังโทมสุดเศร้าหมองเป็นของแน่ ถึงร่างเราทุกวันเปลี่ยนผันแปรจะพ้นแก่เจ็บไข้เป็นไม่มีภูเขาหินคำนินทาพาให้เข้าใจผิดใ ย, ยมัวคิดสนใจฝ่ายถือสายากังวลหวั่นลิ้นคนนินทาเหมือนภูผาไม่พรั่นวันแดดลมสร้างตึกสร้างคนอันตึกรามใหญ่โตระหโหฐาน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 แว่นตาช่วยให้เห็นได้เด่นชัดช่วยขจัดผ้ามัวทรงตัวได้ย่อมมัวมนเมื่อตลอดเมื่อบอดใจนอกจากใช้แว่นธรรมสวมนำทางสบู่แพ้เมื่อตัวเปื่อนเปรอะไปเหงื่อคลออกสบู่ฟอกขจัดสิ้นหมดกลิ่นเหม็นแต่ใจเปื่อนเปรอะมากฟอกยากเย็นเหลือลำเค็นสบู่ฟอกไม่ออกเลย จันงามเมื่อกายใจสงบเย็นอยู่เป็นสุขธรรมะปลูกงามสงี่ยมเปี่ยมใบหน้าดูสดชื่นเ อ, อิบอิ่มเย็นนิ่มตางามซึ่งกว่าดวงจัน์ในวันเพ็ญแสงตะวันร้อนไฟโรธมีอะไรเทียบได้ติดดวงอาทิตย์ริดแรงแสงสะท้อนเผาทุกสิ่งลูกไม้เป็นไฟฟอน ก็ไม่ร้อนแรงโรดเท่ากโกรดเลยถมบึงแม้บึงน้ำลำรางลึกกว้างใหญ่ยังเต็มได้ด้วยหินดินทรายถมแต่ใจยากลึกกว่าหลายอารมณ์ไร้สุขสมเพราะใจถมไม่เต็มมีไว้ไราประโยชน์มีหนังสือเก็บไว้แต่ในตู้มีความรู้ไม่ใช้ให้คนเห็น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 เมื่อหูเบาใจเบาเชื่อเขาหมดไม่รู้จดรู้จาทาว้าวุ่นหลงคำหวานไม่เห็นเป็นต้นทุนจะเหมือนนุ่นปลิวลมอกตรมตรอมไม้หลักปากเลนเป็นผู้ใหญ่ไม่คิดรับผิดชอบไม่รอบคอบใจหนักรักเขตผลไม่ฟังหูไว้หูดูชอบคนก็ไม่พ้นเป็นหลักที่ปากเลน เจ้าหมูอ้วนคนเกียดคร้านงานน้อยทำหงอยเหงางานหนักเบาไม่สู้รู้แต่หมอนกินก็จุซึมง่วงห่วงแต่นอนต่างสุกรอ้วนผีที่ไหนกันหงปีกหักเป็นสตรีเมามั ว, มวหลงตัวผิดแต่งจริตกิริยาว่าสูงส่งหากพลาดท่าจากอายหายทนงเชกเช่นหงปีกหัก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 ทำตัวเหมือนหุ่นปั้นมั่นคงดีจะไม่มีเรื่องวุ่นให้ขุนใจต่อไม้ในคลองคด ต, ต่อไม้กลางคลองคดหลายรถเลี้ยวพาเรือเอี้ยวหลบได้ไม่ยากหนาอันคนคดเลพร้อยร้อยมายาหลบยากกว่าต่อไม้ในคดคลองปากหอยปากปูมีเงินทองพูดอะไรใครก็เชื่อ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 บ้านหลังงามใช้งานมานานนักไม่ช้าจากักพังกระจุยเป็นผุ้ยผงเปรียบร่างกายเสื่อมสุดหยุดไม่ลงไม่ช้าคงเหมือนบ้านแหลกลานไปริ์ไม่เรียวเด็กทำผิดลองให้อภัยเขาแล้วคอยเฝ้าแนะนำย้ำวิถีแทนข่มขู่วนเวียนดุเคี้ยนตีเด็กย่อมดีไม่ได้ด้วยไม่เรียว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 ถึงจะส่งเสียงจ้าฟ้าสะเทือนคนก็เบืออหน้าหยันเป็ดนั่นเองระคังปราดต้องตีก่อนระคังจึงดังเพราะเทียบได้เหมาะกับปราด ช, ชาติเหตุผลต้องไต่ถามจึงเอ่ยเผย อ, อยู่บนจับใจคนทั่วหน้าเมื่อพาทีร่มธรร้อนแสงแดดร่มกัน้นพอกันได้ แต่ร้อนไฟรักโกรธโทษมหันป้องด้วยร่มธรรมดาหาเทียมทันเครื่องป้องกันที่สมคือร่มธรรมชาติคางคกเปรียบคนโง่อวดฉลาดชาติคางคกชอบพังกหัวเบ่งทำเก่งกล้าเมื่อท่าแท้ถูกปอกเผยออกมาต้องขายหน้าอดสูอ้ายผู้คนต้นไม้ไรพวก ต้นไม้ใหญ่สูงโลดอยู่โดดเดียวลมบนเขี้ยวพัดหวมก็ลมได้ถึงสูงสักเชี่ยวชานสักปานใดแต่พวกไม้มากพอก็โค่นเร็วปลือกหอยด้อยค่าเศษเปลือกหอยด้อยค่านำมาแต่งประดิษฐ์แปลงให้ดีก็มีค่าลูกคนจนฝึกดีมีวิชาไม่น้อยหน้าใครใในสังคม ไสใหญ่ริมทางสร้างความดีเหนื่อยบ้างค่อยจางหายแต่เครื่องหมายดีอย่างรินหลังผลปันประโยชน์ปันสุขเพื่อทุกคนเหมือนปลูกต้นไซใหญ่ไว้ริมทางไ่ในดวงใจคนดีตายเหมือนไ่ร่มมาล้มหักมีคนรักหววรำลึกเฝ้านึกถึงแม้ร่างสิ้นคนยังพร่ำหววคำานึง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 รวดลายดีปล่อยไปในฝูงหงแม้ท่วงท่าสีสันเหมือนบรรจงสำเนียงคงบ่งเหล่าว่าเผ่ากาผีหลอกคนเมื่อผีหลอกมักรู้ทันว่านั่นผีคนหลอกมีหลายลีลาท่าหลอกหลอนรู้ไม่ทันจักเจ็บช้ำเป็นตำบอลรีบผันผ่อนปลีกให้พ้นคนหลอกคนไฟร้อน รู้ว่าไฟก็อย่าต้องเป็นของร้อนคนแสนงอนชอบโกรธครึ่งพึงหลีกหนีอย่าตอแยอย่ายั่วย้าไม่เข้าทีโกรธเต็มที่เหมือนได้เชื้อเจ้าเหลือแรงลิ้นกับฟันลิ้นกับฟันย่อมกระทบขบกันบ้างก็เป็นอย่างธรรมดาไม่ว่าไหนอยู่ได้กันร้ายบ้างช่างปะไร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 เหมือนกับจานบนแท่นแผ่นศิลาปากตะไครชอบพูดมากหยุดยากยิ่งมากเรื่องจะแค้นเคืองถูกดา่าว่าปากเหม็นถึงพูดจริงเรื่องจริงยิ่งลำเค็นจะถูกเค็นเหน็บฝากปากตะไคร์คนคางคกชาติคนดื้อเขาเปรียบอย่างชาติคางคกยางหัวตกจึงรู้สึกสานึกเห็น หากไม่เจ็บก็ไม่จำทำหน้าเป็นต่อลำเค็นน้ำตาพลูจึงรู้ตัวเทียนชีวิตเทียนส่องแสงหมดไสไฟก็ดับเมื่อเทียบกับชีวิตไม่ผิดผันมัจจุราชตามจี้ทุกวี่วันสิ้นเชื้อพลันก็ดับเหมือนกับเทียนขี่พึ่งลนไฟเป็นผู้นำใจหนักยึดหลักมั่น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 คนเปล่านี่หมดท่าไร้ค่าตัวถุยอาพับโตแต่ตัวปัญญาน้อยด้อยความคิดขาดพินิษฐ์สำนึกไม่ฝึกฝนทำพูดคิดอะไรไม่แยบยวนมักถูกคนด่าเฉือนง่อเหมือนควายมัศยาหลงเหยื่อหลงคำคนยกยอคอยปอปั้น คงสักวัน อ, อกตรมล่มสลายเหมือนปลาหลงเหยื่อยอสื่อล่อตายผลสุดท้ายชีพม้วยด้วยยกยอแจกกันงามล้ำค่าแจกกันดีสีสวยรวยคุณค่าหมดราคาเมื่อแตกแยกสลายเชกตัวคนค่าล้ำเกริ ก, กำจาจแต่พอตายหมดค่าราคาตัว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 อยู่ด้วยกันกระทบกันนั่นไม่แปลกอย่าถึงแตกร้าวฉานโกรธกันอยู่กาไลมือสองอันเชิงชั้นครูขอให้ดูเป็นแบบแยบคายดีครอบครัวไัยต้นไัยน้อยค่อยแตกหนอ่อเป็นกอใหญ่สูงขึ้นไปเป็นป้ององมองเห็นทั่วแต่เกลียวหนามไว้ป้องกันเผาพันตัว สร้างครอบครัวดูต้นไผ่ไว้เป็นครูดาบปัญญาอันดาบดีรับไว้เก็บในฝักถึงคราวชักฟันฟาดขาดสะบ้านอุปสรรคปัญหาสารพันปัญญาฟันราบคาบเหมือนดาบคมพัดให้ลมทั้งมือเท้าและสมองต้องเคลื่อนไหว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 พวกปลวกสร้างอย่างฉับไวใหญ่เท่าใหญ่ไม่เหลือบ่าสามคัคคีพึ่งผู้ดีพึ่งตอมเคลา้าดอกไม้หอมดอมรสหวานมีรูปรานกรีบกลิ่นสีช่ำที่ไหนไปบ้านเขาเอาอย่างพึ่งเขาพึงใจไม่มีใครคิดรังเกียดเดียดฉันเลยห่างวอกห่างว่า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 ตัวไปไม่ลบเลือนป้ายจราจรคนขับรถเมื่อหยุดรถตามกฎได้ย่อมปลอดภัยถึงปลายทางอย่างประสงค์คนเราพลาดทำผิดไปไม่เจตจงหากคิดตรงหยุดทำได้ปลอดภัยเอ่ยมนุษย์แบงป่องคนรู้น้อยแต่คิดว่าข้านี่เก่ง จึงเที่ยวเบ่งอวดฉลาดขาดเฉลียวเหมือนแมงป่องมีพิษอยู่นิดเดียวชูวหางเที่ยววางมาศประกาศตัวรวงข้าวรีบรวงข้าวรีบมเมล็ดฟอไม่พอถ่วงจึงชูวรวงโดดเดชีเวหนเปรียบคนเข่าไร้คุณอุดหนุนตนอ่อนน้อมคนนบไหว้ทำไม่เป็น อ่านหนังสืออ่านคนการอ่านคนอ่านยากลาบากหน่อยต้องค่อยๆอ่านไปจึงได้ผลเหมือนกับอ่านหนังสือฝึกปลือตนค่อยฝึกฝนอ่านไปรู้ได้จริงเสาหลักปากลึกอันเสาหลักผลักทุกวันยังสั่นไหวเป็นผู้ใหญ่ถึงใจหนักยึดหลักมัน่น โดนลมปากเป่าเข้าหูอยู่ทุกวันอาจไหววันคล้อยตามไปเป็นได้เอ่ยสุงไม้ไม่ไรค่ะอันท่อนสุงลอยฟ้องตามท้องน้ำลากมาทำประโยชน์ได้ส่วนผลผู้ตกอับพลาดท่าถึงคลาจนหากมีคนเรียกใช้ก็ได้การคนกล้วยไม้กล้วยไม้เกาะ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 เหมือนจันเพนพ้นเมฆาที่มาบังย่อม ง, งามปรังดีได้เมื่อใยดีคนมแมลงวันเรื่องขาวๆาวชั่วโฉดโหนระหำคนไยต่ำกลับชอบตอบสนองเปรียบได้กับมแมลงวันบงคันลองได้พบของเหม็นเหม็นเป็นชอบใจคนมแมลงพึ่ง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 ต้องลงกันทุกคนไม่พ้นเอ่ยต่อไปนี้เป็นโครงกระทู้เรื่องคติชีวิตซึ่งแต่งโดยพระธรรมกิติวงปเปรียนธรรมก้าวราชบัณฑิตวัดราชโอรสารามคำนำจากผู้แต่งโครงกระทู้เป็นที่นิยมแต่งกันมาแต่โบราณ โดยนำสำนวนคำไทยซึ่งเป็นคำพังเพยบ้างคำสุภาษิตบ้างมาเป็นกระทู้หรือบทตั้งแล้วแต่งเนื้อความเติมให้เต็มตามรูปแบบแห่งโครงความที่แต่งเติมเข้ามานั้นส่วนใหญ่เป็นคำอธิบายขยายความคำนั้นนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโครงกระทู้ที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณคือโครงกระทู้สุภาษิต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 เพราะสํานวนไทยส่วนหนึ่งมีคุณค่าเป็นคติคําสอนอยู่ในตัวเองจึงได้ดึงคุณค่านั้นออกมาขยายความให้สมบูรณ์เป็นการเพิ่มอรรถรสแห่งโครงอีกมิติหนึ่งซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้อันหนึ่งสํานวนคําไทยที่นํามาแต่งนั้นเลือกเฉพาะที่มีสี่คํา และสา ม, มารถอธิบายเป็นคติธรรมได้เป็นพื้นซึ่งสำนวนคำไทยที่มีลักษณะเช่นนี้ยังมีอีกมากทั้งที่มีสามคำสี่คำห้าคำหรือเกินกว่านั้นที่นำมาแต่งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นขอยกความดีจากการนี้ให้แก่บรพาจารย์ผู้คิดคนสำนวนไทยนั้นๆและผู้แต่งโครงกระทู้สุภาษิตนั้นๆั้น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 สุตะานิ่งเน้นฟังความจิจิตคิดตรองตามแจ่มได้ปุปุดทบทวนถามข้อติดขัดนาลิลิขิตจำจดไว้แน่แท้เมธีอ่อนนอกแข็งในอ่อนอ่อนขานเพราะพริงวาจานอกนิ่มนบวันทาทุกผู้แข็ง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 จากก็จากแบบสิ้นอาวร อ, อย่างหมดความอาทรถิ่นนั้นเรือจอดแบบเรือจรเปรียบกับคนแห่จอกลับอีกเร่งก้านอย่าได้คบหาอยู่ให้มีไฟอยู่อย่างคนแกล่งสู้ชีวิตให้เกิดผลสมริดเร่งเรามีไฟแห่งความคิด กล้าแกร่งนาพ่อไฟนั่นจักนำเข้าสู่ข้างทางประสงค์ไปให้มีเพื่อนไปสู่ประโลกล้วนเดียวดายแน่เคยให้รีบหาเพื่อนตายมิดแท้มีพักมิเคลื่อนคลายตามติดไปนาเพื่อนนั่นคือบุญและเร่งสร้างสั่งสมยาสุขก่อนหาม อย่าเร่งรัดจัดจ้านกลกามสุกแต่เล็กหรืองามปิดป้องก่อนวายริกรตตามกิเลสเสื่อมเฮยห้ามก่อนค่อยคิดข้องห่อนช้าสุขกเกษมอย่าตามใจตัวอย่าเปรมปลืม่มคลั่งคลายกามานักเคยตามที่ใจปรารถนาเร่งเร้า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 ฝากผีพ่อแม่ด้วยลูกเอ๋ยผีไม่ถูกละเลยชอบแล้วฝากไข่ ย, ย่าเฉยเมยยามป่วยไข่าสางด้วยลูกแก้วโอบเอื้ออาทรพลังปากเสียศิลพลังพูดพล่อยพรอยลิ้นไประวังปากพล่อยอาจพาพังมอดมวยเสียท่าถูกชิงชังหมดพวกศิลทรับอาจเสียด้วย ผูกฟ้องหมิ่นเขาว่านอนสอนง่ายว่ากล่าวคุมสติตั้งฟังความนอนนั่งสิงเงียมงามเรียบร้อยสอนสั่งประพฤติตามโดยชอบง่ายๆแต่แช่มช้อยส่งให้กเกษมสีฝนท่างเป็นเข็มฝนท่างเหล็กแท่งด้วยความขยันท่างศึกเป็นเข็มอันเล็กจ้อย เป็นคนหากมุ่งสันสมบัติเข็มนั่นเป็นครูน้อยเสร็จด้วยความเพียรฟังหูไว้หูฟังความเขาเล่าแจ้งขานไขหูหนึ่งฟังตามไปชอบแท้ไว้หูหนึ่งเพื่อไตรตรองเหตุนันนาหูไม่เบานั่นแลเหตุให้ยุติธรรมมือไวใจเร็ว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 วายวิยจักเป็นผู้เทียบชั้นทีระชนวัวหายล้อมอคอกวัวหายจึงคิดล้อมอคอกกันหายก่อนรือจักทันเหตุเศร้าร้อมรอบคอบก่อนอันตรายเกิดดีแฮอคอกจักป้องเหตุเข้าก่อร้ายวิบัติเสริมสองจิตสองใจ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 น้ำหล่อเสียงเริดร้างสะดับแล้วระคายหูใจซื่อมือสะอาดใจพิสุจิ์มุ่งเน้นสร้างงานซื่อสัตย์สุจริตการเปี่ยมล้นมือปากไม่ระรานใครอื่นสะอาดปราศพิษพ้นเรียกได้คนดีอย่าอึอตามช้างอย่าทำสิ่งซึ่งล้ำเกินพลัง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 หัวล้านได้หวีหัวเลี่ยนล้านแต่ได้หวีมาล้านเลี่ยนหรือปรีดาสิ่งได้ได้ของไม่ปรารถนาหมดประโยชน์หวีนั่นแลเปรียบไว้เล่นี้คมขำรู้มากยากดานรู้อะไรมากล้ำเลอคนมากเรื่องก่อกังวลวุ่นแท้ยากยุ่งเมื่อผ่อนปลนปลดทุกข์ เพื่อนนานา น, นักหนักใจแปร่ห่อนพ้นคนขอล่มหัวจมท้ายล่มก็ล่มทุกทนด้วยกันหัวเราะเสบสุขสรรสุขด้วยจมใจรักผูกพันเคียงคู่เสมอนาท้ายสุดอยู่ตราบม้วยคู่แท้ใจถึงเมืองมาพาโวย มึงกูหาหาเฮ้ยหยาบคายมาพบกันโวยวายลั่นบ้านพาคนอื่นเครื่องระคายรอนสุกเขานาโวยโวกเวกจัดจ้านอย่างนี้ดีหรือใช้ตาเป็นครูใช้ตาช่วยฉลาดรู้วิชาชาญตาเพ่งพินิจการรอบข้างเป็นจุดเกิดพุทธิยานแบบอย่างเห็นนา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 ห่างจากประโยชน์ทั้งยากขึ้นนายคนผีไม่มีสารผีไร้สารเร่คว้างกลางหนุนไม่ต่างผู้อับจนอนาถแท้มีก็แต่ข้างถนนเป็นแหล่งพักเคยสารพักยังยากแก้เหตุด้วยเวรกรรมสิ้นไรไม้ตอกสิ้นหมดแม้ตอกไม้บางบาง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 แกโพรพาจิตแป้วซบเศร้าขวัญเสียตีงูหลังหักตีงูหลังหักแล้วปล่อยไปงูเช่นคนแหละซ้ายเปรียบรู้หลังเจ็บย่อมผูกใจอาคาตแค้ น, หนาหักค่อยหายฮึดสู้มุ่งร้ายหมายขวัญหวังน้ำบ่อหน้าหวังจากพบบ่อน้ำข้างหน้าเดินทาง น้ำสักบ่ออาจหาห่อนได้บ่อเปรียบสิ่งปรีดาหวังวาดไว้เหยหน้ามิอาจคาดให้ว่าได้หรือศูนย์กลิ้งครกขึ้นเขากลิ้งครกตะเกียกขึ้นเขาชันครกหนักทุ่มแรงดันเสร็จซ้ายขึ้นทางแห่งความฝันยากยิ่งกว่าแหเขาป่าน้ำบุกได้ห่อนท้อถึงฝัน หลงเมียลืมแม่หลงเมียหลงสวาดซึ่งมัวเมาเมียหยอกยั่วพริ้งเราสเสน่พร้อยลืมแม่ปล่อยซึมเสาหงอยเงื่องแม่ร่ำตาละห้อยอย่างนี้ดีฉะไหนรักยาวให้บันรักที่จะโรดเรื่องใสสดยาวยืดอนาคตเจิดจ้าให้ละเลิกทั้งหมด อบายมุกนาพ่อบันฟุ่งเฟือยเชื่องช้าช่วงท้ายเศรษฐีรักสั้นให้ต่อรักจะอยู่แค่ได้ห้าเหตสั้นนักคิดเสเพลกระตู้วูให้ต่อยาลังเลกินเที่ยวไปนาต่อไม่นานจักรู้โหดสั้นชีวิตสยผีถึงป่าช้า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 เนื้อแก่นนอกในอื้อสืบให้แจ้งเห็นดูนางดูแม่ดูสตรีเพียงรูปซ้ายพระมัวนางอาจประพฤติตัวแหลกรันดูกระทั่งครอบครัวถึงแม่หล่อนนาแม่ประพฤต์ใดนั้นเครื่องชี้บุตรสาวข้าเห็นแก่กินข้าทาตย่อมอยากลิ้มรสดีบ้างเฮย เห็นช่องได้กินฟรีเปิดแปร่แก่หนุ่มหากเปลื่มปรีกินโปรดแลนากินดะตะกลามแท้เปรียบค่ากินของรักวัวให้ผูกรักวัวเชือกผูกไว้จงดีวัวบ่ออาจดิ้นหนีหลบเรนให้คนชอบเปลื่มปรีมินายแหนงเหยผูกมันด้วยเชือกเส้น หนึ่งนั้นนำใจรักลูกให้ตีรักลูกควรรักให้ถูกทางลูกผิดผีดปล่อยวางมืดตื้อให้ลงโทษเพื่อจางป้องผิดนาพ่อตีดุได้ต่อดือ้อแต่ด้วยเหตุผลสี่ตีนรู้พลาดสี่ตีนสัตว์เช่นช้างอาชาตีนเปะปะก็พาพลาดพลาย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 อยู่กลางหมู่คนผานอยู่ยากแท้นายากจะหาทางกั้นเร่งย้ายโยกหนีต้นร้ายปลายดีต้นอาจพลาดผิดพลังเสเพลร้ายนักเรื่องเกเรเลื่อนร้อนปลายกลับหักมุมเหประพฤติชอบดีย่อมปิดทับซ้อนเรื่องร้ายหนนหลังใจดีผีเข้า ใจมุ่งแต่โอบเอื้อการุณดีก่อหวังกอบบุญบาปกัน้นผีปอบย่อมหวังตุนรุมไตตอมเฮยเข้าชิดขอหนี้นั้นเล่พร้อยพึงระวังใจดีสู้เสือใจมิหวั่นวุ่นวายามคับขันเฮยดียิ่งหากยิ้มรับร่วมสู้สู้ยิ้มเบิกบานกับนิ่งแน่อีกนา เสือก็เสือเถอะรู้พ่ายยิ้มพิมพ์ใจจุดใต้ตำต่อจุดใต้ว่าจักด้นเดินสบายใต้บอส่องตอตายสะดุดกลิ่งตำราบอดบรรยายอวดเฟื่องตอปราดฉลาดพริ้งโปค้านอายเขาเชื้อไม่ทิ้งแถวเชื้อหน่อกำเนิดพร้อมผู้ดี ไม่ทอดทิ้งประเพณีเผ่าพ้องทิ้งห่างเรื่องราคีเสื่อมเกียรติแถวเทือกย่อมพลอยก้องเกียรติฟุ้งขจรไกลทีเล่นทีจริงทีหนึ่งทำท่าเยา้าหยอกเอินเล่นหลอกอำพรางเพลินเหลี่ยมพร้อยทีจริงหมกทำเมินลองอย่างเชิงนาจริงเล่นดูท่าถ้อยพินิษท้วนความใน สาดน้ำรดกันสาดน้ำโครนตอบโต้ไปมาน้ำเปียกทั้งคู่ผาเลอะลน้นรถราดสาดวาจาเข้าใส่กันเหยกันและกันไปพ้นเปละเปื้อนเสียหายน้ำใจอย่างยากน้ำในบ่อยอย่างรู้ง่ายได้ใจมนุษย์สุดบรรยายลึกล้ำ อย่างยากเปลี่ยนกลับกลายอยู่ตลอดยากนักจากกลายกลํำร่วงรู้ลึกถึงกวนน้าให้คุณกวนน้านิ่งคุณฟุ้งอุปมาน้ำดังเรื่องเลิกลาสงบแล้วให้ฟื้นกลับโพรธนาคุ้ยขุดใหม่เหย่คุณคู่ขึ้นห่อนแคล้วคุณค้องหมองหมางปากหวานก้นเปรี้ยว ปากคร่ำชมชื่นล้วนแต่ดีหวานหยดรถพระจีเพราะพรองก้นบึ้งกลับคิดตีด่าแช่งเปรี้ยวจัดกัดลึกร้องเร่งรู้เท่าทันทองไม่รู้ร้อนทองบารู้สึกร้อนไฟลนไม่ต่างผู้ทำตนเฉื่อยช้ารู้สึกไม่กังวลเฉยแฉะ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 ถ่าดีทีเหลวถ้าทางดูเก่งกล้าเป็นการดีแน่จึงมอบผานกิดให้ที่ทำบ่อเป็นงานเงื้งแง่เลยแห่เหลวเละคือผลได้ท่าสิ้นหัวเสียบุญธรรมกรรมแต่งบุญธรรมบุญส่งขึ้นมงคลทำบาปบาปบันดนสิ่งร้าย คำสองนั่นของตนตามแต่งชีบเหยแต่งต่อยืองยักย้ายสบร้ายหรือดีปั้นน้ำเป็นตัวปั้นเรื่องโกหกให้เห็นจริงน้ำหนักหลักฐานอิงเอ่ยชี้เป็นหุ่นถูกเชิดสิงหากเชื่อเขานาตัวอย่างดูน้ำนี้ปรับปั้นได้หรือน้ำลดต่อผุด น้ำอำนาจท่วมร้ายล้นหลามไว้เหยอรถเมื่อใดชั่วสามชีพฟื้นต่อไม้ย่อมผุดยามน้ำรถลงแห่ผุดโปรเห็นรกรื้นเปรียบให้เห็นสมไม้แก่ดัดยากไม้คตคิดดัดให้แยบยนแก่จัดกว่าศพผลยากแท้ดัดยากเหล่าคตคนเติบใหญ่ ยากนักจากดัดแก้หากทิ้งนานเกินผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนประนมนั่นแล้วแนวทางสั้นหรือยาวปรับวางขยับได้ผ่อนปรนแบบสายกลางหยุดเรื่องได้นายาวหยุดส่งผลให้เรื่องร้อนเย็นลงสิบเบีย้ยใกล้มือสิบเบีย้ยแม้ค่าน้อยใกล้มือ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 เท่าสองเท่าโถมกลูลุยใส่หมูใช่หมูหมดบ้าบอบช้ำยามเยิเนกินปูนร้อนทองกินปูนอร่อยลิ้นตุกแกปูนออกฤิดผันแปรพล่านร้อนร้อนตัวเพราะมีแผลทำผิดไว้นาท้องปูนพิรุษซ้อนเปรียบไซตุกแกคนดีผีคุ้ม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 เนื้อจิตอาจซ่อนกลคดข้อเชื่อได้แต่สุชนยึดสัตว์มั่นแฮ่ใจซื่อบ่อฉนช่อค่อยไว้วางใจตีนถีบปากกัดตีนมือบ่อเกี่ยงเว้นงานเอาถีบทุบแบกหนักเบาบากสู้ปากมิปรีผ่อนพลาเพียนหมันกัดเก็บเหนื่อยหนักรู้เรียกผู้เอาผานคบคนดูหน้า ครอบคนตรองไตรให้จงดีคนชั่วหน้ากากมีอ่อนน้อมดูพบเร่งเรี่ยงหนีหลบห่างไกลเหยหน่าซื้อใจซื่อพร้อมเชื่อได้คนดีเนื้อน้อยฝอยมากเนื้อหาสาระถ้อยวาจาน้อยนิดเสริมปัญญาบ่าได้ฝอยฟุ้งพ่วงลีลาดูเด่น มากรถแต่อัดร้ายแค่คุยเครียดคลายแหวงเท้าหาเสี้ยนแกวงเท้าเล่นเลื่อนเปื้อนย่าตราเท้าอาจต่ําเสี้ยนพาเหลือดร้อนหาเรื่องใช่เรื่องมาข้องเกี่ยวเสี้ยนแหละนั่นอาจย้อนส่งให้ยุ่งเหยิงเกลียดตัวกินไข่เกลียดเขาแต่ชอบเบี้ยสมบัติเขานาตัวเกลียดกลับมีขัด หากให้กินไข่แต่บอกปัดเฮี้ยแม่เปรียบเหยใไข่ชอบตัวช่างซ้ายชัดแท้หน้าหนาใส่ถ้อยร้อยความใส่สีสันคัดเค้นหาความถ้อยเท็ดกุประน้ำอร่อยลิ้นร้อยพันเรื่องเร็วสามประติดประตอความถูกผิดทั้งสิ้นรับรู้หลีกเสียกินน้ำใต้ศอก กินน้ำหยดจากใต้สอกมาน้ำนิดมิอาจพางอิ่มได้ใต้แบบอนุพัญญาเอมอิ่มได้หรือสอกเข่ากล้ำก็ร้ายสิทธิ์ขึ้นเทียมเขาข้าวแดงแกงร้อนข้าวเคยรับชุบเลี้ยงจากใครแดงหน่อยก็เชื่อมใหญ่ชีบยางแกงกับสุดฝืนใจก็ช่วยรอดนา ร้อนตกเตือนจิตตั้งคิดคลอยแทนคุณครอบเด็กสร้างบ้านครอบเด็กช่วยกิดเกื้อทำการเด็กย่อมเล่นเสียงานงาดเงื้อสร้างบ้านก็เนื่อง น, นานหอนเสร็จดีเฮยบ้านเละงานรกเรือเด็กทิ้งมีถมตัดหางปล่อยวัดตัดขาดมิคิดคล้องเอาพานอีกเฮย หางตัดปล่อยประจานไก่จนปล่อยวัดปัดรังควานดุดไก่กุดนาวัดว่าเป็นผู้ล้นหลากรายเหลือขอหูป่าตาเถื่อนหูฟังแต่เรื่องไร้ข่าวสารป่าทุ่งมุ่งเพลงการสดับดินตามีบอพบ่านสิ่งเด่นดีเหยเถื่อนท่าโงะเส้อสิ้นถูกเย้ยเหยียดยาม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 ไวทีห่อนระคางยิ้มราในยุ่งนอกยิ้มนั้นเพิ่มชั้นราศีน้ำใสไว้นอกน้ำจิตเ อ, อิบอาบด้วยไมตรีใสแจ่มแย้มยิ้มมีเปี่ยมหน้าไว้เชิงพูดจาดีดูเด่นนาพ่อนอกสดในใสจ้าสเสน่ซึ้งตรึงใจเอาข้างเข้าถู เอาแต่ตะแบงแบบเข้าข้างตนข้างจะไรเหตุผลยกอ้างเข้าแบบพวกสั ป, ปดลดื้อแพ่งถูขาดด้วยสีข้างอย่าสู้เฉยเสียคนเดียวหัวหายคนเดียวอย่าเที่ยวด้นจรไกลเดียวโดดเป็นไรไปยากรู้หัวหมุนมิมีใครคอยช่วยเหลือเหย หายหมดตัวหัวผู้หากร้ายกลายถึงสองคนเพื่อนตายสองคนดีกว่าแท้บทธจรคนร่วมย่อมอาทรกิดเ อ, อื้อเพื่อนมีลถอาวรใจอุ่นตายเจ็บได้ช่วยเกือ้อวิ่งเต้นแทนกันด้านได้อายอดด้านหนาคิดแต่ได้เป็นดี ได้สิ่งยอมเสียสีสักหน้าอายแม้อดค่ามีมากยิ่งกว่าแหอดแต่อิ่มจิตเจ้าอย่าคล้อยคนหยามตกนรกทั้งเป็นตกทินที่ทุกท้นทรมานนรกร้ายเปรียบปานยากป้องทั้งสุดจะทนทานสาหัสนักพ่อเป็นเพราะผลกรรมต้องเฉียดใกล้วายปราณ หาเลือดกับปูหาประโยชน์รีดเข้นคนจนเลือดซิบยังเวียนวนแคะไครกับรีดเลือดปูยนมิต่างกันเหยปูบ่มีเลือดให้โหดแท้หนอคนเสียน้อยเสียยากเสียอยู่แต่ปล่อยด้วยเสียดายน้อยนิดมิยอมคลายจ่ายฟื้น เสียนั่นย่อมบานปลายมากเรื่องยากแต่แรกอาจสอื่นสุดท้ายจ่ายแพงหวานนอกขมในหวานซึ่งท่วงท่าทั้งพาทีนอกอวดดังใจดีเสกแซงขมเข็มคิดเบียนบีซ่อนซุขในเฮยในเน่านอกนิ่มแยงอย่าได้เชื่อถือผักชีโรยหนะ้า ผักชีโรยฉาบหน้าอาหารดูดีชีผักเปรียบเนื้องานเล็กน้อยโรยหน้าหลอกสาทานกลบเรื่องเละนาหน้าเรื่นทุกผู้คล้อยเครื่องชี้สัจธรรมยกตนข่มท่านยกแต้มมาเอือยอ้างอวดตัวตนอยู่เหนือนั่งหัวมาดโก คมผู้อื่นเกรงกลัวราบ้าบไปเฮยท่านกล่าวใครเชื่อโม้ถูกทึงเสียทียกยอปอปั้นยกก็ขึ้นจิตน้อมสนองงานยอ ก, ก็หยุดปผพานเรียบร้อยปอปั้นย่อมได้การคนเช่นนี้เหยปั้นเสร็จผลออกพรอยนั่งยิ้มอิ่มสวงตบหัวรูปหลัง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 หัวคิดมีไม่ใช้ห่อนพ้นคนยามล่วงคองูเหา่าล่วงลำอำนาจล้นนักเลงคอขาดก็มีเกรงกาดกล้างูเห่าห่อนยำเยงล่วงล่วงคอเหยเห่าฟ้อสอบินบ้าตรึกท้วนคิดทำเงียบเป็นเป่าสาบเงียบปากด้วยไม่รู้หรือกลัว เป็นเรื่องชวนปวดหัวใช่แล้วเป่าสากมุ่งดังรัวสมมุ่งหรือแลสากมิใช่ปีแก้วจักได้ส่งเสียงเห็นชายผ้าเหลืองเห็นบุรใต้ร่มผ้ากาสาชายพัดปลิวชื่นตานักแล้วผ้าเหลืองจับปรีดาเอมอิ่มใจเฮยเหลืองรอดหุ้มบุรแก้ววาดไว้สมหวัง น้ำร้อนปลาเป็นน้ำคำดุด่าก้องกึงกัางร้อนสดชักชิงชังหลบดินปลาเปรียบดังคนฟังห่อนชอบใจนาเป็นอยู่ว่หนีสิน้นโสดร้อนสุขฉไหนน้ำเย็นปลาตายน้ำคำหวานเพราะพริง้งฟังดีเย็นสดเชื่อมไมตรีชอบแท้ ปลาชอบอยู่วารีเย็นชื่นเปรียบเหยตายสนิทจิตอยู่แล้วหอนลี้ไปไหนเคราะหามยามร้ายคราอหคือบาปติดต้อยตามตนหามทรงอระมงคลคับข้องยามเคราะห์จับดานดนเป็นนั่นนี่เหยร้ายหมดยามเคราะห์ต้องจุงได้เกรงขามไฟร้อนนอนเย็น ไฝ่ใจกรอบกิดเกื้อกรรมงานร้อนก่อนหากทนทานห่อนทิ้งนอนใจบ่อเนื่อนนานศพโชคแน่เฮยเย็นชื่นผลพวงพริ้งส่งให้สุขสรรหายหกตกหลน่นหายหดทุนกับทั้งกําไรหกเรียห่อนใส่ใจปล่อยทิ้งตกแตกอยู่ร่ำไปเหตุมักง่ายเฮย โลงวูบกิจการกลิ่งยากเรืองจำเริญนนายว่าข่าพลอยนายว่าดีเหล่าข่าว่าดีตามเคยว่าชั่วชั่วผสมมีประจบเจ้าข่านั่นแหละกาลีระวังเถิดพลอยเชื่อจากยุขเข้าก่อร้ายใจเหลืองกล้านักมักบินกล้าทากล้าบุกสู้เกินไป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 ใจเร็วด่วนได้ใจร้อนหวังแต่ได้ผลงานเร็วเร่งจนเสียการพินิษท่วนด่วนเสร็จแต่เผาผลาญบกพร่องได้บ่อคุ้มเสียล้วนศบร้อนภายหลังเกิดแก่เจ็บตายเกิดร่างเติบใหญ่ขึ้นเป็นคนแก่เรื่อยทั่วสกลห่อนย้ง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 ก่อร่างสร้างตัวก่อกิจเพื่อก่อสร้างหลักฐานร่างทุ่มสู้กลำงานถูกแท้สร้างแบบค่อยเป็นปานสร้างก่อบ้านเฮยตัวหลักมั่นคงและเสร็จแล้วสุขสมเป็นหุ่นให้เชิดเป็นผู้นำหาไรปัญญาหุ่นเชิดเปรียบกันมาตลกดิน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 พูดขาดคนเชื่อซ้ายสอเข้าลมเหลวเสียกรรมได้กรอบเสียเป็นทุนอย่าได้เสียดายกรรมหนึ่งย่อมละลายเริ่มต้นได้คืนกลับมากมายห่อนหมดเลยนากรอบหนึ่งกรรมไรล้นหลักนี้ค้าขายยามพีเนื้อหอมยามเฟื่องสินทรัพย์พร้อมวาดาสนา พีล่ำผู้คนมานบไหวเนื้อทรับนั่นแหละพามีพวกพ่อเคยหอมกรุนตราบเอื้อได้ทรับสิ้นหายหัวยามผอมเนื้อเหม็นยามหมดทรัพสักสิ้นเคยมี้อมพายเปรตอ้วนหนีหน่ายหน้าเนื้อตัวห่อนใยดีถามไทยเหม็นเบื่อใครห่อนกล้าอยู่ใกล้กลัวขอ คู่สร้างคู่สมคู่ครองที่จิตเอื้ออวยกันสร้างกุศลสารพันร่วมด้วยคู่จักอยู่นิรันห์ห่อนพรากกันเฮยสมรักมั่นตราบม้วยสุดเส้นสังขาร